พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่13ปสาระสูตรที่7กุกกูโรวาทสูตรสูตรว่าด้วยโอวาสแก่ผู้ทำตัวดังสุนัขพระผู้มีพระภาคประทับนนิคมชาวโกาิยะชื่อหาลิทธวัสนะในแคว้นโกาลิยะปุณณบุตรแห่งโกาิยะผู้ประพฤติวัดดังโคกับชีเปลื่อยชื่อเสนิยะผู้ประพฤติวัดดังสุนัข เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกล่าวปราศัยเสร็จแล้วปุณณโกริยาบุตรก็ทูลถามถึงชีเปลือยชื่อเสนียะผู้ประพฤติวัดดังสุนักว่าจะมีคติเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคทรงห้ามว่าอย่าถามเลยแต่ก็ถามย้ำถึงสามครั้งจึงตรัสตอบว่าถ้าประพฤติเคยชินอย่างสุนักตายไปก็จะเกิดเป็นสุนัก แต่ถ้าประพฤติด้วยความคิดว่าจะเป็นเทวดาด้วยศีลด้วยวัดอย่างนี้ก็นับว่ามีความเห็นผิดซึ่งจะมีคติสองอย่างคือนรกหรือกาเนิดสัตว์เดรัจฉานพระดำรัสตอบนี้ทำให้ชีบเปลือยชื่อเสนิยะร้องไห้ชีเปลือยชื่อเสนิยะจึงทูลถามถึงปุนณณโกรยบุตรผู้ประพฤติวัดดังโคบ้างว่าจะมีคติเป็นอย่างไร ก็ตรัสตอบทำนองเดียวกับเรื่องสุนักซึ่งทำให้ปุณณะโกริยาบุตรร้องไห้เช่นเดียวกันปุณณะโกริยาบุตรจึงทูลขอให้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมเพื่อตนและเสนียะจะได้ละการประพฤติวัดดังนั้นเสียจึงตรัสแสดงกรรมสี่อย่างคือหนึ่งกรรมดำมีวิบากดํดำคือบางคนปรุงแต่งความคิด หรือเจตนาทางกายวาจาใจอันประกอบด้วยการเบียดเบียนจนเข้าถึงคือเกิดในโลกที่มีการเบียดเบียนได้รับสัมผัสที่มีการเบียดเบียนได้เสวยเวทนาที่มีการเบียดเบียนอันเป็นทุกข์โดยส่วนเดียวดังเช่นสัตว์ที่เกิดในนรก 2. กรรมขาวมีวิบากขาว คือบางคนปรุงแต่งความคิดหรือเจตนาทางกายวาจาใจอันไม่มีการเบียดเบียนได้รับสัมผัสที่ไม่มีการเบียดเบียนได้เสวยเวทนาที่ไม่มีการเบียดเบียนอันเป็นสุขโดยส่วนเดียวดังเช่นเทพชั้นสุภกินนะหะคือพรหมมีรูปชั้นที่9ในรูปประพรมสิหชั้นสาม กรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวคือบางคนปรุงแต่งความคิดหรือเจตนาทางกายวาจาใจที่มีการเบียดเบียนบ้างไม่มีการเบียดเบียนบ้างจึงเข้าถึงคือเกิดในโลกที่มีการเบียดเบียนบ้างไม่มีการเบียดเบียนบ้างได้รับสัมผัสอันมีการเบียดเบียนบ้างไม่มีการเบียดเบียนบ้าง ได้เสวยเวทนาที่มีการเบียดเบียนบ้างไม่มีการเบียดเบียนบ้างอันมีทั้งสุขทั้งทุกขะกันไปดังเช่นมนุษย์บางเหล่าเทพบางเหล่าวินิปัติกะบางเหล่าสำหรับข้อนี้อัตถกถาคือคำอธิบายพระไตรปิฎกตอนนี้ขยายความว่าความสุขและความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวของมนุษย์ย่อมปรากฏส่วนของเทวดา ได้แก่ภู ม, มิเทวดาคือเทพที่อยู่บนพื้นดินและพวกวินิปาติกะได้แก่พวกเวมานิกเปรศที่อยู่วิมานมีความสุขและความทุกข์เป็นครั้งคราวทั้งนี้ย่อมเป็นไปในสัตว์เดรัจฉานมีช้างเป็นต้นด้วย 4. กรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวย่อมเป็นไปเพื่อสิ้นกรรม คือเจตนาเพื่อละกรามดำซึ่งมีวิบากดำํำเจตนาเพื่อละกรามขาวซึ่งมีวิบากขาวเจตนาเพื่อละกรรมทั้งดำทั้งขาวซึ่งมีวิบากทั้งดำทั้งขาวเป็นเจตนาที่ไม่ต้องการเวียนว่ายตายเกิดไม่ปรารถนาจะทำกรรมใดๆอีกต่อไปสำหรับข้อนี้อัถกถาอธิบายว่ามัคคเจตนาเจตนาที่เป็นไปในมัค คำว่ามักหมายถึงปัญญาอันตัดกิเลสได้เด็ดขาดตั้งแต่บางส่วนจนถึงหมดสิ้นข้อไหนละได้แล้วไม่ต้องละใหม่อีกเป็นอันละได้เด็ดขาดไปเลยเมื่อจบพระธรรมเทศนาะปุณณโกริยะบุตรกราบทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาะแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนะตะรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตส่วนชีปเปลือยชื่อเสนิยะ ปราบทูลสันเสริญพระธรรมเทศนาถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะและขอบวชเมื่อทราบว่าผู้เคยเป็นเดิรถีมาก่อนประสงค์จะบวชในพระธรรมวินัยจะต้องอบรมก่อนสี่เดือนก็มีศรัทธาจะขออบรมถึงสี่ปีเมื่อบวชแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระอระหรันต